สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพวันนี้ผมนายกรคนชอบเล่าขอจัดตามคําแนะนําของท่านสมาชิกที่อยากจะฟังเรื่องราวลี้ลับหรือว่าแปลกๆจากญี่ปุ่นบ้างนะครับก็ถือว่าเปลี่ยนบรรยากาศกันบ้างสําหรับคลิปนี้นะครับตำนานเรื่องแปลกของชาวญี่ปุ่นจะมีอะไรบ้างก็ลองฟังกันดูนะครับเรื่องแรกความรักของโอเทเมื่อเนิ่นนานมาแล้วมีชายคนหนึ่งชื่อนางาโอะโจเซอาศัยอยู่ในเมืองนิงาตะที่มอนทนเอจิเซน ชายหนุ่มคนนี้มีพ่อเป็นหมอเขาจึงได้เรียนวิชาแพทย์ตามอย่างพ่อเขาได้มั่นกับหญิงสาวที่ชื่อว่าโอเทซึ่งเป็นลูกของเพื่อนพ่อโดยได้มั่นกันตั้งแต่ทั้งสองอยังเป็นเด็กๆครอบครัวของหนุ่มสาวตกลงกันว่าทันทีที่ชายหนุ่มเรียนสำเร็จก็จะจัดพิธีแต่งงานแต่โชคร้ายที่โอเทมีสุขภาพไม่ค่อยดีนักเมื่อเธออายุครบ15ปีก็ป่วยหนักหมดทางรักษาและตัวเธอเองก็รู้ตัวว่าจะต้องตาย จึงได้ขอให้ตามตัวคู่มั่นหนุ่มมาหาเพื่อจะกล่าวลานางเงาโอนั่งคุกเข่าใกล้ๆที่นอนหญิงสาวเธอพูดกับเขาว่าท่านนางเงาโอที่รักเราเป็นคู่มั่นกันตั้งแต่ยังเด็กปลายปีนี้เราควรจะได้แต่งงานกันแต่ฉันก็ต้องมาตายเิียแล้วเทพเจ้าท่านทรงทราบดีว่าคุณจะจัดการอย่างไรกับชีวิตของฉันถ้าฉันอยู่ต่อไปอย่างนี้ฉันก็จะเป็นเหตุแห่งความยุ่งยากเดือดร้อนแก่คนอื่น ในเมื่อร่างกายของฉันอ่อนแอเช่นนี้ยอ่อไปอาเป็นเมียของคุณได้แม้จะขอมีชีวิตอยู่เพื่อคุณต่อไปก็เป็นความเห็นแก่ตัวอย่างยิ่งฉันยินดีจะตายขอให้คุณสัญญาว่าจะไม่เศร้าเสียใจนอกจากนั้นฉันอยากจะบอกคุณไว้ในตอนนี้ด้วยว่าต่อไปเราจะได้พบกันอีกค่ะเราต้องได้พบกันในสสวรรค์นแน่นอนที่นั่นไม่มีความเจ็บปวรดรวุรแรงเพราะการพลัดพรา้านางเงาอุตอบอย่างมั่นคง มิซีค่ะฉันเมหมายความว่าเราจะพบกันในสวรรค์ฉันเชื่อว่าเราจะพบกันอีกในโลกนี้ละคะแม้ว่าร่างของฉันจะถูกฝังในวัพรุ่งนี้ก็ตามหญิงสาวตอบเสียงแผ่วนางโอเห็นเือยิ้มเมื่อก็มองเธอด้วยความสงสัยโอเทพูดด้วยเสียงเลื่อนลอยเหมือนกําลังฝันต่อไปว่าใช่ค่ะฉันหมายความว่าเราจะพบกันอีกในโลกนี้ถ้าคุณปรารถนาเช่นนั้นฉันจะต้องเกิดใหม่เป็นเด็กหญิงและเติบโตเป็นหญิงสาวคุณก็จะต้องรอต่อไปอีกประมาณ15ปี ซึ่งเป็นเวลาที่นานทีเดียวแต่เวลานี้คุณอายุเพียง19ปีเท่านั้นนะคะนังเออต้องการจะปลอบเด็กสาวที่ใกล้จะตายเต็มทีจึงตอบด้วยเสียงอ่อนโยนว่าที่รักผมยินดีจะรอคุณไม่ว่าจะนานสักเท่าไหร่ขอให้เราเป็นคู่ครองกันไปอีกเจดชาติแต่คุณยังสงสัยอะไรอยู่หรือคะเธอถามพลางมองหน้าเขาที่รักผมสงสัยว่าจะจําคุณในอีกรูปร่างหนึ่งในอีกชื่อหนึ่งไม่ได้น่ะสิน่าจะคุณจะทิ้งร่องรอยไว้ให้เป็นที่สังเกตเขาตอบ ข้อนั้นฉันทาไม่ได้หรอกค่ะเทปเจ้าเท่านั้นที่ทรงทราบว่าเราจะพบกันที่ไหนและอย่างไรแต่ฉันแน่ใจว่าถ้าคุณเต็มใจที่จะพบอบฉันอีกฉันก็จะกลับมาหาคุณได้จำํำคาพูดของฉันไว้ก็แล้วกันโอเทพูดจบก็หลับตาลงสิ้นลมหายใจทันทีนางาอุมีความผูกพันกับสาวคนรักมากเขาเศร้าโศกเสียใจเป็นที่สุดที่เธอจากไปจึงได้จ้างช่างแกะสลักจารึกชื่อของโอเทในแท่งหิน และนำไปตั้งบูชาที่บ้านของเขาจัดของมาเส้นไหว้เป็นประจำทุกวันเขาไม่ลืมคํากล่าวอันแปลกประหลาดที่เธอพูดไปก่อนตายชายหนุ่มต้องการให้ดวงวิญญาณของสาวรักมีความพอใจจึงเขียนหนังสือสัญญาว่าจะแต่งงานกับเธอถ้าเธอกลับคืนมาหาเขาได้แม้จะอยู่ในร่างของอีกคนหนึ่งก็ตามเมื่อเขียนเสร็จแล้วก็กระดาษแผ่นนี้วางไว้ที่แท่นบูชาด้วยนางโ อ, อเป็นลูกชายคนเดียวของพ่อแม่จึงมีหน้าที่จะต้องแต่งงานตามที่พ่อแม่ขอร้อง ในไม่ช้าพ่อแม่ก็หาเจ้าสาวให้เขาได้เขาจึงจำต้องแต่งงานกับหญิงสาวที่พ่อแม่เลือกให้ถึงแม้ว่าจะแต่งงานแล้วชายหนุ่มก็ยังเส้นไหว้แท่งหินป้ายชื่อของโอเททุกวันและระลึกถึงเธอด้วยความรักเสมอมาแต่เมื่อเวลาผ่านไปหลายปีภาพของเธอก็เริ่มเลือนไปจากความทรงจําของเขาเหมือนกับความฝันที่หวนนึกถึงได้ยากตลอดเวลาหลายปีนั้นโชคร้ายหมุนเบลเข้ามาหานางโอโเรื่อยๆเริ่มต้นด้วยพ่อแม่ของเขาตายจากไป และเมียกับลูกคนเดียวก็ตายตามกันไปอีกนางโอจึงได้เหลือตัวคนเดียวนในโลกเขาจึงตัดสินใจทิ้งบ้านออกเดินทางไปเรื่อยๆด้วยหวังที่จะลืมความทุกข์อันใหญ่หลวงนี้เสียวันหนึ่งนางโอเดินทางไปถึงหมู่บ้านอิกาโอซึ่งตั้งอยู่เชิงเขามีภูมิประเทศที่สวยงามและมีบ่อน้ําพุร้อนเขาหยุดพักที่โรงแรมเล็กๆแห่งหนึ่งมีเด็กสาวคนหนึ่งมาคอยรับใช้ทันทีที่เขาเห็นใบหน้าของเธอหัวใจของเขาก็เต้นแรง เพราะใบหน้าของเธอนั้นคล้ายกับโอเทยอย่างประหลาดนงางโอบยิกตัวเองเพื่อให้แน่ใจว่าไม่ได้ฝันไปขณะที่มองดูเด็กสาวเดินเข้ามาก่อไฟให้ผิงยกอาหารมาวางจัดที่หลับที่นอนให้ไม่ว่าจะทําอะไรท่าทางของเธอนั้นเตือนให้เขานึกถึงคู่มั่นคนแรกเมื่อครั้งที่เป็นวัยรุ่นเป็นที่สุดเขาพูดกับหญิงสาวเสียงของเธอที่ตอบเขานั้นก็หวานและเศร้าทําให้เขานึกถึงอดีตอันรุ่งทุกข์ที่ผ่านไปนานแล้วนั้นความรู้สึกพิสูง์ของเขายิ่งทวีมากขึ้นทุกที จนต้องพูดกับเธอว่าเธอหน้าตาเหมือนใครคนหนึ่งที่ผมเคยรู้จักพอเธอเข้ามาในห้องนี้ผมถึงกับสะดุ้งทีเดียวขอโทษเธออยากจะถามว่าเธอเกิดที่เมืองไหนชื่ออะไรทันใดนั้นหญิงสาวก็ตอบด้วยสิ่งของคู่มั่นที่ตายไปแล้วของนางาโอสิ่งที่เขาไม่มีวันลืมเลือนได้นั้นพูดว่าฉันชื่อโอเทและคุณคือนางาโอซึ่งสัญญาว่าจะเป็นสามีของฉันฉันตายไปเมื่อ17ปีมาแล้วที่เมืองนิงาตะ คุณเขีนหนังสือสัญญาว่าจะแต่งงานกับฉันจะฉันกลับมาในโลกนี้อีกในร่างของหญิงสาวคุณประทับตราในหนังสือสัญญาระหว่งางใบบนที่บูชาใกล้แท่งหินสลักชื่อของฉันฉันจึงได้กลับมาอีกหญิงสาวผูดเพีงเท่านี้ก็ล้มลงสลบไปหลังจากนั้นนางอโ ก, ก็เข้าพิธีแต่งงานกับหญิงสาวด้วยความสุขและต่อมาเมื่อเขาถามถึงเหตุการณ์ที่หมู่บ้านอิกาโอเธอ ก, กลับไม่สามารถอธิบายอะไรได้เลยเธอจําจเรื่องราวในชาติเดิมไม่ได้จนนิดเดียว และนี่ก็คือตำนานความรักของโทเอแล้วก็ยังมีตำนานของผีไม่มีหน้าซึ่งอาจจะเคยผ่านหูของหลายท่านมาแล้วถือว่าเป็นปีศาจดุ่นคลาสสิกของญี่ปุ่นหากเคยฟังกันแล้วก็ขออภัยนะครับเรื่องราวมีอยู่ว่าที่ถนนอากาซกะในกรุงโตเกียวมีทางลาดอยู่แห่งหนึ่งเรียกกันว่าทางลาดของตาบลคีอิมองจากด้านหนึ่งของทางลาดนี้จะเห็นคูโบราณที่กว้างและลึกมาก สองากมีหญ้าขึ้นเขียวเหนือขึ้นไปเป็นสวนดอกไม้อีกด้านหนึ่งเป็นกำแพงวังสูงทะมึนสมัยโบราณยังไม่มีไฟจุดตามถนนในยามคำ่ำบริเวณนี้จะมืดมากคนที่จำเป็นจะต้องออกไปนอกบ้านตอนกลางคืนโดยมากก็มักจะยอมอ้อมไปไกลๆแทนที่จะเดินขึ้นตามทางลาดของตะบนขี้อีกเหตุที่เป็นเช่นนี้ก็เพราะมีเรื่องเล่าลือกันว่าผีไม่มีหน้าชอบมาเดินอยู่ตามทางลาดนี้ พ่อค้าคนหนึ่งเคยเห็นผีไม่มีหน้าเป็นคนสุดท้ายก่อนที่เขาจะตายไปเมื่อประมาณ50ปีมาแล้วและนี่ก็คือเรื่องที่เขาเล่าให้ฟังคืนหนึ่งพ่อค้ากำลังเดินอยู่บนทางลาดเสตามองไปเห็นหญิงสาวคนหนึ่งกำลังนั่งคุดคูอยู่คนเดียวที่ริมน้ำเธอกำลังร้องไห้คร่ำครวญอย่างน่าเวทนาพ่อค้าผู้สูงอายุเกรงว่าหญิงสาวอาจจะเสียใจจนคิดกระโดดน้ำตายในคูลึกแห่งนั้น จึงหยุดดูและคิดจะปลอบโยนหญิงสาวให้ใคลายความเศร้าโศกหญิงสาวรูปร่างอรชน่นแต่งตัวสวยมุ่นผมเหมือนที่ดาผู้ดีก้มหน้าหันหลังให้พ่อา้าคุณหนูครับคุณหนูอย่าร้องไห้อย่างนี้เลยนะครับบอกผมสิว่าเรื่องอะไรถ้าผมพอจะช่วยได้ผมก็อยากจะช่วยพ่อา้าพูดพลางเดินเข้าไปหาหญิงสาวพ่อ้าเป็นคนใจดีที่ผูดเช่นนั้นก็ด้วยเจตนาดีอย่างจริงใจ หญิงสาวยังคงร้องไห้สือึกเสือื่นและใช้แขนเสื้อบังหน้าไว้คุณหนูครับฟังผมหน่อยนะครับโปรดฟังให้ดีที่นี่ไม่เหมาะสําหรับหญิงสาวจะมาอยู่ในเวลาคํามืดนะครับอย่าร้องไห้ไปเลยไหนบอกผมสิเผื่อผมจะช่วยได้พ่อขาปลอบโยนต่อไปอีกหญิงสาวค่อยๆลุกขึ้นยืนหันหลังให้เขาและใช้แขนเสื้อบังหน้าไว้อิ่งเดิมพ่อขาเอื้อมมือออกไปแตะปากของหญิงสาวเบาๆและพูดต่อไปว่า คุณหนูครับฟังผมสักหน่อยนะครับฟังสักหน่อยนะครับคุณหนูหญิงสาวหันขวับมาหาพ่อขาแขนเสื้อหลนจากใบหน้าเธอยกมือขึ้นลูบหน้าพ่อขาจึงเห็นว่าเธอมีแต่หน้าเปล่าๆไม่มีในตาไม่มีจมูกไม่มีปากพ่อขาร้องเสียงลั่นวิ่งหนียังไม่คิดชีวิตเขาวิ่งไปตามทางลาดซึ่งมีแต่ความมืดสนิดแล้ววิ่งต่อไปต่อไปโดยไม่กล้าหันกลับไปมองในที่สุดก็เห็นแสงตะเกียงริบรีอยู่ข้างหน้าไกลออกไปมากจนแลดูเหมือนแสงหิ่งห้อย เขาเร่งฝีเท้าเข้าไปหาแสงนั้นแสงนั้นคือแสงตะเกียงจากหาบของคนเร่ขายบะหมี่ซึ่งวางหาบอยู่ตรงริมทางพ่อค้ารู้สึกโล่งอกที่ได้พบแสงสว่างเขาซุดลงนั่งแทบเท้าของคนขายบะหมี่ส่งเสียงร้องหวยหวนโอ้ยโอยโอ ย, โอยเป็นอะไรไปละ่ะใครทําร้ายเอาเหรอคนขายบะหมี่ถามปะปะปเปลไม่มีใครไม่มีใครทําร้ายหรอกพ่กข้าตอบตะกุกตะกักแค่ตกใจเท่านั้นเหรอเจอผู้ร้ายเข้าละสิ คนขายบะหมีม่ถามเราก็ไม่รู้สึกเห็นใจพ่อขาโอ้ยโอ ย, โอยเปล่าไม่ได้เจอผูร้ายแต่เจอเจอผู้หญิงคนหนึ่งตรงเดมคูนะ่ะผู้หญิงคนนั้นโอ้ยไม่บอกดีกว่าน่าเกลียดหน้ากลัวพ่อขาคนลุกคนพองไม่บอกดีกว่ามาผู้หญิงคนนั้นทำยังไงทำอย่างนี้ใช่ไหมคนขายบะหมีม่ถามพลางยกมือขึ้นลูบหน้าตัวเองซึ่งไม่มีหูไม่มีตาแต่ดูคล้ายฟองไข่กึิ้เกลี้ย ง, งขนาดใหญ่วางอยู่บนคอ แล้วแสงไฟจากตะเกียงก็ดับวูบลงแล้วก็จบตำนานผีไม่มีหน้าไปอีกหนึ่งดูเหมือนว่าจะสั้นไปเอาอีกสักเรื่องแล้วกันครับเป็นเรื่องราวที่แปลกของอากินโนสุเกะเรื่องราวมีอยู่ว่าในจังหวัดโทอิจิแห่งบนทนยามาโตมีทหารอาสาคนหนึ่งชื่อมิยตะอากินโนสุเกะอาศัยอยู่ในบ้านที่มีสวนล้อมรอในสวนของบ้านนี้ปลูกต้นซีด้าเก่าแก่ลำต้นใหญ่โตมาก ชายเจ้าของสวนมักจะมานั่งใต้ร่มไม้นี้ในวันที่อากาศร้อนและชวนเพื่อนทหารอาสาอีกสองคนมาดื่มเหล้าสาเกกันบ่ายวันหนึง่งอากินยุสุเกดื่มเหล้าสาเกจนมึนเมาแล้วก็รู้สึกง่วงเป็นกําลังจึงลงนอนที่โคนต้นไม้แล้วก็หลับฝันไปเขาเห็นขบวนแห่ของท่านไดเมียวผู้ยิ่งใหญ่กําลังเคลื่อนเข้ามาจากเนินเขาใกล้ๆจึงได้รีบยันกายขึ้นมองขบวนแห่นั้นยิ่งใหญ่และหรูหรากว่าที่เขาเคยเห็นมาก่อนและดูเหมือนจะผ่านมาทางบ้านของเขาซะด้วย ชายหนุ่มแต่งกายงดงามหลายคนเดินลากราชรถทันงามห้อยม่านไหมสีฟ้าสดขบวนแห่นั้นหยุดลงหน้าบ้านของอากินอสุเกะชายคนหนึ่งแต่งกายหรูหราอย่างผู้มีบรรดาศักดิ์เดินเข้ามาโค้งคำนับอากินอสุเกะและพูดว่าท่านที่เคารพท่านได้เห็นราชรถแห่งเมืองนริมิตรแล้วขอรับสนองพระราชโอ่งการให้มาคารวะรับใช้ท่านขอเชิญท่านไปเฝ้าพระราชาที่พระราชวังขอได้โปรดขึ้นราชรถที่พระราชาส่งมารับเถิด อากินุสุเกะอยากตอบให้สมกับที่คิดแต่โมตกตะลึงจนพูดไม่ออกได้แต่ก้าวขึ้นราชรถไปอย่างงงงงขาราชบริพานคนนั้นก้าวขึ้นนั่งเคียงข้างเขาและยกมือให้สัญญาณชายหนุ่มทั้งหลายจึงช่วยเชือกซึ่งฟันด้วยเส้นไหมลากจูงราชรถไปทางทิศใต้ไม่นานนักอากินุสุเกะก็ต้องประหลาดใจที่ราชรถหยุดที่หน้าประตูแบบจีนขนาดยักษ์ซึ่งมีสองชั้นเขาไม่เคยเห็นประตูแบบนี้มาก่อนขาราชบริพานคนนั้นลงจากรถบอกเขาว่า ขาจะไปทูลจ้านายว่าทันมาถึงแล้วอากิโนะสุเกะนั่งรอต่อไปครู่หนึ่งเห็นชายสองคนแต่งกายด้วยชุดเสื้อคลุมผ้าไหมสีม่วงสมโภกทรงสูงบ่งบอกถึงตำแหน่งสำคัญท่าทางเหมือนขุนนางผู้ใหญ่เดินตรงเข้ามาคำนับเขาและจูงเข้าลงจากราชรถพาผ่านเข้าประตูขนาดยักษ์และอุทยานใหญ่ไปยังพระราชวังที่กว้างขวางสุดสายตาเข้าไปในท้องพระโรงซึ่งใหญ่โตและสวยงามตระการตาและจึงแยกย้ายกันไปนั่งตามที่ สาวสวยแต่งกายเต็มยศยกเครื่องดื่มมาตั้งอากินุสุเกยกถ้วยขึ้นดื่มคุณนางในชุดสีม่วงโค้งต่ำและผลัดกันพูดคนละประโยคดังต่อไปนี้เราขอแจ้งให้ท่านทราบว่าสาเหตุที่ท่านถูกนำตัวมานี้เป็นความปรารถนาที่นายของเราต้องการท่านเป็นราชบุตรเขยท่านจะต้องเข้าพิธีเสกสมรสในวันนี้กับเจ้าหญิงราชธิดาเราจะพาท่านไปฝ้าพระราชาซึ่งประทับรออยู่ ท่านจะต้องสวมใส่เสื้อชุดพิเศษเพื่อ ง, งานพิธีครั้งนี้สิ้นสุดเสียงนั้นคุณนางทั้งสองเดินไปที่ตู้ทองใบใหญ่หยิบเสื้อผ้าอาภรอนนันสวยงามและมงกุฎมาสวมให้อากิโนสุเกะเขาแต่งกายงามราวกับเจ้าชายจากนั้นก็เดินไปเฝ้าพระราชาแห่งเมืองเ น, นริมิตรซึ่งประทับบนราชอาณาจัทรงคระมาลาสีดำและผูษาผ้าไหมสีเหลืองตามพระยศคุณนางและข้าราชบริหารนั่งรถลังกันไปตามตำแหน่งดูสวยงามและแนวนิ่ง เรากับการชุมนุมครั้งสำคัญในโบสอากินุสุเกะเข้าไปถวายคำนับพระราชาพระราชารับสั่งกับเขาว่าเจ้าได้รู้สาเหตุที่ข้าให้ตามตัวมาที่นี่แล้วข้าตัดสินใจเลือกเจ้าเป็นลูกเขยให้เป็นสามีของลูกสาวคนเดียวของข้าพิธีอภิเษกสมรสเจริญเนบัตนดนตรีอันไพเราะรื่นเริงดังขึ้นรับพระสุรเสียงนายสนมกานันแสนโสภาเดินเรียงแถวออกมาจากหลังบ้านที่กั้นไว และพาชายหนุ่มไปยังห้องที่เจ้าสาวประทับรออยู่ห้องนั้นกว้างใหญ่มากแต่ก็เกือบจะไม่พอสำหรับแค่เรือที่ไม่เป็นพยานในพิธีนี้ทุกคนน้อมศีรษะลงต่ำเมื่ออากินุนสุเกะคุกเข่าลงบนหมอนเพชรหันหน้าหาเจ้าสาวเจ้าหญิงทรงสิริโฉมราวกับนางสวรรค์ผู้สาที่ทรงอยู่ก็งามเหมือนทอด้วยใยเมฆแห่งฤดูร้อนพิธีอภิเษกสมรสดาเนินไปท่ามกลางความหฮืหัน คู่บาวสาวรับคำพรจากคนสําคัญจํานวนมากในห้องอีกด้านหนึ่งของพระราชวังของขวัญที่มีผู้นํามามอบให้นั้นมากมายจนนับไม่ถ้วนหลายวันต่อมาอากินุสุเกะถูกนําตัวไปเฝ้าพระราชาอีกคนนี้พระองค์ทรงรับสั่งกับเขาด้วยความเมต้า ย, ยิ่งกว่าก่อนอนาณาจักรทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของเรานี้มีเกาะแห่งหนึ่งชื่อไรชูเราแต่งตั้งให้เจ้าไปครองเกาะนี้เจ้าจะพบว่าชาวเกาะจงรักพักดีปกครองง่าย แต่กฎหมายของที่นั่นมันยังไม่ตรงกับกฎหมายของเมืองนี้ขนบธรรมเนียมต่างๆก็ไม่สอดคล้องกันกันกบที่นี่เราเหมาะให้เจ้าไปปรับปรุงสภาพความเป็นอยู่และสังคมของชาวเกาะให้ดีขึ้นจงปกครองด้วยเมตตาธรรมเราเตรียมการให้เจ้าออกเดินทางไว้แล้วอากินุสุเกกับเจ้าหญิงของเขาจึงออกจากพระราชวังในแดนเนริมิตโดยมีขุนนางและข้าราชบริพารตามมาส่งถึงชายทะเลเรือซึ่งพระราชาทรงจัดเตรียมไว้แล่นเฉีวไปถึงเกาะไรชู และที่นั้นมีชาวกาะมาต้อนรับกันอย่างคับคั่งชายหนุ่มเริ่มทําหน้าที่ใหม่อย่างสบายใจเพราะเป็นงานที่ไม่หนักตลอดเวลา3มปีแรกเขาวางกฎเกณฑ์อันเหมาะสมต่างๆโดยมีที่ปรึกษาผู้ฉลาดรอบรู้คอยให้คําแนะนําและช่วยเหลืองานต่างๆสําเร็จลุล่วงอย่างราบรื่นจนในที่สุดเหลือเพียงงานซึ่งเขาต้องปฏิบัติตามหน้าที่เท่านั้นเช่นไปร่วมในพิธีต่างๆและงานอื่นๆซึ่งไม่หนักหนาแต่อย่างใดกาะไรชูเป็นเกาะที่อุดมสมบูรณ์ ชาวบ้านอยู่กันอย่างมีความสุขทุกคนยึดมั่นในความดีไม่มีคนทำผิดกฎหมายอากินสุเกปกครองเกาะ น, นี้ต่อมาเป็นเวลา20ปีรวมเวลาแห่งความสมบูรณ์พุณนสุขไม่มีความทุกโศกใดๆมาเยี่ยมกรายนานถึง23ปีเมื่อถึงปีที่24เกิดเหตุร้ายเจ้าหญิงซึ่งมีบุตริดากับเขา7คนได้ประชวรและสิ้นพระชนงพระสพถูกนาไปฝังตามพิธีอันทรเกียรติบนยอดเขาฮันเียวโค และมีการสร้างอนุสาวรีย์ที่งามวิเศษไว้เหนือหลุมพระศพอากินุสุเกะรู้สึกเศร้าเสียใจในการจากไปของเจ้าหญิงอย่างยิ่งจนถึงก็หมดอะไรตายอยากที่จะมีชีวิตอยู่ต่อไปหลังจากช่วงเวลาแห่งการไว้ทุบผ่านพ้นไปแล้วคนนำสารจากเมืองเนรมิตรก็ได้นำพระราชสารแสดงความเสียพระทัยจากพระราชามายังอากินุสุเกะและแจ้งแก่เขาว่าพระราชาเมืองเนรมิตรมีพระราชโองการให้ข้าพเจ้ามาบอกท่านตามรับสั่งว่า บัดนี้เราประสงค์จะให้เจ้ากลับไปยังดินแดนที่เจ้าจากมาแต่ลูกทั้งเจ็ของเจ้าเป็นรา ช, ชนัดดาจึงต้องอยู่ในความดูแลของเราขอเจ้าอย่าได้ห่วงกังวลไปเลยอากิโนะสุกเกะรับทราบพระราชประสงค์แล้วก็เตรียมออกเดินทางเขาจัดการเรื่องราวต่างๆเป็นที่เรียบร้อยบอกลาข้าราชาการและที่ปรึกษาที่เขาไว้วางใจและลงเดือสำเพอที่พระราชาทรงจัดส่งมารับสำเพอลอยลําไปในทะเลสีครามจนกระทั่งแลเห็นเกาะไรชู ที่อยู่เบื้องหลังเป็นสีน้ําเงินแล้วค่อยๆเปลี่ยนเป็นสีเทาและเลือนหายไปจากสายตาอากินุสุเกะสะดุ้งตื่นเห็นตัวเองนอนอยู่ใต้ต้นชีด้าในสวนเพื่อนสองคนยังนั่งดื่มเหล้าพูดคุยกันอย่างสนุกสนานอากินุสุเกะทําสีหน้างุนงงและตะโกนว่าแปลกจริงโวイฮ้เสงสัยฝันเพลินอะไรละที่แปลกเพื่อนคนหนึ่งหัวเราะเขาเล่าความฝันให้เพื่อนฟังเรื่องการครองเกาะตลอดเวลา23ปีในดินแดนแห่งเมืองเนรมิต เพื่อนของเขาได้ฟังแล้วก็รู้สึกประหลาดใจเพราะอากินโนสุเกะนั้นนอนหลับไปเพียงไม่กี่นาทีเท่านั้นเพื่อนคนหนึ่งบอกเขาว่าเป็นเรื่องแปลกนะเราเองก็เห็นอะไรแปลกๆตอนที่นายนอนหลับอยู่เหมือนกันเราเห็นผีเสื้อสีเหลืองบินบนอยู่ตรงหน้านายครู่หนึ่งจากนั้นก็ไปเกาะ พ, พื้นดินใกล้กับที่นายนอนตรงโคนต้นไม้นั่นและมัดงามตัวโ ต, วตวก็ออกมาจากรูลากผีเสื้อลงรูไปก่อนที่นายจะตื่นขึ้นมาเราเห็นผีเสื้อตัวเดิมนั้นออกมาจากรูอีก บินบนบินอยู่ตรงหน้านายแล้วอยู่ดีๆก็บินหายวับไปเลยไม่รู้ว่าไปทางไหนเพื่อนอีกคนนึงก็พูดว่าอาจจะเป็นดวงวิญญาณของนายก็ได้นะเราเห็นผีเสื้อบินเข้าไปในปากนายแต่ถึงผีเสื้อตัวนั้นจะเป็นดวงวิญญาณของนายก็ยังน่าแปลกอยู่อีกแล้วว่าทําไมนายถึงได้ฝันอย่างนั้นสงสัยมดมากกว่ามดเป็นสัตว์แปลกอาจจะเป็นผีก็ได้โน่นไงมีรังมดใหญ่อยู่ใต้ต้นชีด้าพอดีเลย <_ S 2> เพื่อนคนแรกตั้งข้อสงสัยไหนไปดูกันหน่อยซิอากินุสุเกชะชักจะสนใจ เขาเดินไปหาเสียมกุูดรังมดพื้นดินใต้ต้นชีด้าถูกเจาะลึกลงไปเป็นโพรงโดยฝูงมดงามจํานวนมากมายมดใช้ดินเหนียวฟางหญ้าและกิ่งไม้เล็กๆมาสร้างเมืองขนาดจิ๋วขึ้นใต้พื้นดินตรงกึงกลางระหว่างเมืองมดนี้เป็นบริเวณกว้างกว่ า, วาส่วนอื่นๆฝูงนมดรุมล้อมรอบมดตัวใหญ่ซึ่งมีหัวสีดํายาวมีปีกสีเหลืองอ๋อนี่อย่างไรพระราชาเมืองดาริมิด ท, ที่ฝันเห็นละ่ะนี่พระราชวังแปลกจริงๆ กาะรชูควรจะอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของเมืองนี้อยู่ทางซ้ายของรากไม้นี่พอดีจริงด้วยกออยู่ตรงนี้ประหลาดที่สุดและก็นี่ภูเขาฮันเรียวโคหลุมศพของเจ้าหญิงอยู่ที่นี่อากินุสุเกะขุดคุยดูยรังมดที่พังลงมาพบรอยดินพูนสูงขึ้นนิดนึงฝังก้อนกรวดขนาดจิ๋วที่ถูกน้ำซะ้ะดูคล้ายพระพุทธรูปเขาคุยดินตรงนั้นออกดูก็เจอมดตัวเมียตัวหนึ่งนอนตายอยู่ในโพรงดินเหนียวใต้เนินดินเล็กๆนั้นครับ คลิปนี้ก็เอาไป3เรื่องก่อนนะครับตอนแรกก็มีโครงการว่าจะเข้าป่าอีกหนึ่งคลิปแต่รู้สึกว่าร่างกายตอนนี้ไม่ค่อยจะอำนวยให้เลยครับอาจจะฟังมีแหบๆเป็นบางครั้งก็ต้องขออาภาัยด้วยนะครับพรุ่งนี้ก็น่าจะดีขึ้นครับอ้อตะเกิ้นมีวันจันทร์พุทธศุกร์นะครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณครับสวัสดีครับ